ออวันนี้เป็นวันที่16กกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพนับแต่องค์หลวงตาละสังขารเมื่อวันที่30วันนี้เป็นเวลา18วันวันนี้เป็นเวลา18วันจากวันนั้นมาถึงวันนี้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามากราบคาระวะศพองค์หลวงตาแบบ ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ไหนมากอย่างองค์หลวงตาเราพูดอย่างนั้นได้เพราะหลวงพ่อเองก็เกิดมาตั้ง66ปีและก็เคยผ่านงานมามากต่อมากเห็นครูบาอาจารย์แต่เห็นองค์หลวงตาของเรานี่แหละรู้สึกว่าไม่มีวันไหนที่ว่า น, น้อยพี่น้องประชาชนมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความศรัทธามาด้วยความรักเคารพ ในองหลวงตาของพวกเราแล้วก็เมื่อคืนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและกัคณะรัฐมนตรีหลายท่านพร้อมกับคณะได้มาร่วมไหว้พระสวดมนต์และก็ทอดออผ้าบังสกุลถวายองค์หลวงตาและก็พร้อมกันถวายจตุปัจจัยไว้ในงานตลอด ถึงพี่น้องประชาชนทางโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้และก็ทางสารอุดรด้วยสารพิ่ภาคสาสารแล้วก็โรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลศูนย์อุดรเมื่อคนนี้รู้สึกว่าหลายคณะรู้สึกว่าหลายกลุ่มพี่น้องประชาชนบริษั ท, ท้างร้านให้ความอบอุ่นอย่างมากเพราะนั้นขอให้ขอประกาศ คณะจัทวาญาติโยมผู้ใดกลุ่มใดที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในการทําบุญทําทานก็องหลวงตาก็จับเป็นกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นคณะเข้ามาแล้วก็ประสานกับกองอํานวยการและจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพเข้ามาได้ทางนั้นพระครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของหลวงตาแล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเนี่ยก็ขอให้เข้ามาได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาเมื่อสร้างไปแล้วถึงจะไม่ได้ประกาศชื่อไม่ไดไ้ไม่ได้ประกาศชื่อถึงจะหย่อนลงไปในตู้แต่เราจิตใจของเราน้อมลำดึกถึงองค์หลวงตาพระคุณของหลวงตาพระเมตตาของหลวงตาท่วมทนอยู่แล้ว บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็จะไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของพี่น้องประชาชน ท, ทุกทุกท่านเมื่อพี่น้องประชาชนลำลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าข้าพเจ้าได้ไปทำบุญกับองค์หลวงตาได้หยดตู้บริจาคตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาพวกเราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเราก็สบายใจแล้วก็บุญกุศลที่พวกเราสบายใจนี่แหละเะกิดไปการทามาค้าขาย ทำสิ่งใดที่เกิดประโยชน์ก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศลองหลวงตาคุ้มครองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะัคณักสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานหน้าในการทำบุญขอหลวงตาไม่ผิดที่ผิดทางเนื้อนาบุญที่ดีทีเดียวเพราะหลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบอันนี้หลวงพ่อขอประ ก, กาศถึงทูบายาร ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมในงานมีมากาและก็ประกาศวันนี้คณะสิทธิานุสิทธิในองหลวงตาขอนมนม์ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรนษาตั้งแต่ห้พรรษาขึ้นไปสมัครเป็นพระพี่เลี้ยงในการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศ พ, พระราชทานเพลิงถวายแดลพ่อแม่ครูอาจารย์โดยให้แจ้งที่แผนกลงทะเบียนรับพระ เยื่องกับแผนกปถมพยาบาลพระพี่เลี้ยงจะมีหน้านที่ดังนี้วันที่17กุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันที่16นะวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554รับผู้สมัครที่ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทจากาแผนกลงทะเบียนรับพระจากนั้นพาไปยังที่พักโลงผม อบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวัดวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554พาผู้สมัครออกช่วยรับอาหารบิณฑบาตจากครูบาอาจารย์ฉันอาหารเช้าแล้วพาผู้สมัครไปพร้อมกันที่กุฏิพ่อแม่ครูจานเวลา11นผู้สมัครรับศีลอุโบสถบวชเป็น เ, ออเป็นพระขาว ครูบาอาจารย์อบพรมผ้าขาวพระพี่เลี้ยงนำผ้าขาวหรือนาคไปซ้อมขานนาคเพื่อจะบรรพชาอุ ป, อปสมบท ต, ต่อไปวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2554ัเวลาเก้าส30นพระอุรมยานโมรีเป็นพระอุปชาในบนรรพชาณสารานอกวัด ป่าบ้านตาดจ <c oughs> ะลานอกวัดป่าบ้านตาดพระพี่เลี้ยงช่วยกันครองผ้าแก่ผู้ขอบวชแล้วพระพี่เลี้ยงแต่ละท่านบอกใจสรนคมและให้ศินเสร็จแล้วพระพี่เลี้ยงแจ้งชื่ออาจารย์ผู้ให้ศินในใบในใบให้ฉายาแก่สัมมาเนนแต่ละโรคแล้วแยกสัมมาเนนไปอุปสมบทที่วัดแยกเป็นวัดวัดนั่น ท, ที่นี่นะพอเป็นสัมมาเ น, น ที่วัดป่าบานตาดแล้วนะก็จะแยกสัมภารไปบวชเป็นไปบวชเป็นพระที่วัดโพธิสมพรวัดโยธานเมตตวัดปกสะทอนวัดถ้ำเต่าอันนี้ก็คือคณะกรรมการท่านจะแยกอีกทีนึ่งบวชสีวัดนี่แหละการบวชในคราวนี้อย่างที่หลวงพ่อได้ชี้แจงแก่พี่น้องประชาชนให้รับทราบว่า ทั้งที่งานหลวงตาก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วจะรับคนเป็นเป็นล้านแต่ก็มีการอุปสมบทพระลูกหลานเอกเป็นไ ม, ม, ม่ไม่มีไม่มีประมาณบางงานแต่ถ้าว่ามีผู้จะเข้ามาบวชแต่บวชเขาวนี้ไม่ใช่บวชประเดียวประดานะต้องได้พันษาตั้งแต่วันนี้จนถึงพันษาปี2554ห้าบจากนี้ไปก็หลายเดือนนะสี่ห้าหเดือน ก็จะออกพรรษาได้ก็เดือนนู้นน่ะเดือน11เพ็ดพนั่นน่ะนะจากนี้ไปเท่าไหร่หลายเดือนอยู่แต่ทางนี้ทางนั้นในการจัดอุปสมบทก็ไม่ใช่ของง่ายของยากแต่ว่าเราเห็นคุณค่าอย่างหลวงปู่ลีของเราเนี่ยที่นั่งทางขวามือของหลวงพ่อนี่ท่านบวชในงานอุปสมบทในงานมรในงานพระราชในงานประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครปี2 0 0พ 493หลวงปู่หลีได้เป็นตะพ่าวได้ยกศีรษ ะ, ะขององค์หลวงปู่มัน่นลงจากศาลาแล้วหลวงปู่หลีของเรานี่ได้แย่งเข้าไปไปได้เอามือช่วยยกศรีระของหลวงปู่มัน่นมาสู่เมนนี่แหละหลวงปู่ของเรายังประทับใจยังพูดมาถึงทุกวันนี้ จากนั้นท่านก็ได้ไปบวชกับเจ้าคุณธรรมเจดีที่เป็นอุปชาของหลวงตาของเราเนี่ยนะเจ้าคุณธรรมเจดีหลวงปู่จุมพันทุโรวัดโพธิสมพรท่านก็ได้บวชตั้งแต่ปี2493มาจนบัดนี้ได้เป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบายอาจารย์ของเราคือหลวงปู่ลีท่านหลวงพรบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ของหลวงพ่อที่รักเคารพของหลวงพ่อหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีนี่แหละ อันนี้ถ้าว่าเราเอาลูกหลานบวชในคราวนี้ก็คิดว่าสักคนหนึ่งจะคงจะเป็นทายาทขององค์หลวงตาถ้าว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามที่จะเดินตามแนวแถวองค์หลวงตาอยู่หลวงพ่อก็คิดว่าคณะสงฆ์ที่จัดงานก็คิดว่ายอย่างนั้นจึงได้ลงทุนลงแรงถึงจะยุ่งยากขนาดไหนก็พยายามทาให้ลูกหลานได้บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ยกหลวงปู่ลีของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นการบวชในคราวนี้ก็ลูกหลานผู้ใดก็ตามไม่ใช่บวชโดยอ่อะแยะนะไม่ใช่หมอล้อมมาแลมนะไม่ใช่บวชเป็นพิธีนะบวชจริงจังหลายเดือนพอสมควรถ้าว่าบวชพอธรรมดาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรพอบวชเข้ามาก็เอสาหังก็ยังไม่จบพอบวชเข้ามาก็ศีลและวินัยก็ยังไม่ได้เรียนจะเป็นเฉลียวฉลาดจะได้อย่างไงเพราะ พระพุทธเจ้าไปศึกษาอยู่ในป่าทั้ง6ปีขนาดชัยยัมภูเป็นพระพุทธเจ้าทแท้ๆแต่ปัญญาของท่านขนาดไหนท่านจะไปเรียนก็หกปีจากนั้นหลวงตามหาบัวของเราก็เหมือนกันก่อนที่ท่านจะเด่นเด่ น, ด, น, ด, นดังโดง่งดังขึ้นมานท่านทํำยังไงพวกเราศึกษาดูสิท่านบัวเข้ามาแล้วท่านปฏิบัติท่านภาวนาแล้วไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นพรรษาท่านเท่าไหร่พรรษาเกือบสิบแล้ท่านไปอยู่จากนั้นท่านก็ พันศาสิบหกที่ท่านจึงรู้จริงเห็นจริงในธรรมได้พวกเราจะมาบวชเพียงเจ็ดวันห้าวันให้มันรวบลักเกินไปท่านหลวงพ่อว่านะเอา3ามสี่ห้าหเดือนพอดีถ้าไม่มีศรัทธาแล้วทำไม่ว่ากันถ้าผู้มีศรัทธาแล้วก็เ อ, อตั้งอกตั้งใจบวชจริงๆเราหาทรัพย์สมบัติอย่างอื่นเราหามาแล้วบัตรนี้เราเข้ามาหาทำเพียงห้าหเดือนเนี่ยไม่ได้เหรอถ้าไม่ได้ก็จะแสดงว่าเราแย่มากผู้ที่เข้ามาบวชนะต้องตัดแต่ ต้องตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะมาบวชนะอไม่ใช่ว่าคิดสนุกแล้วก็บวชเอเห็นอะไรบวชลักบวชลิขคนโบราณเขาให้คาบังเพยนะบวชลักบวชล้บวชหนีสงสารบวชพลานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาอะมันมีหลายบวชนะบวชลักบวชล้กันหนีไปบวชเพราะมีโทษมีคดีหนีไปบวชนะบวชลักบวชล้ บวชหนีสงสารกับตั้งอกตั้งใจอยากหลวงปู่ีเนี่ยหลวงปู่ของเราหลวงปู่ลีของเราเนี่ยท่านบวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสูกก็คืออะไรคือไม่มีอันจะอยู่จะกินเป็นคารวะเห็นถ้าบวชรวยอย่างนั้นแต่อย่างวันเนี้เห็นรวยและอยากจะบวชบวชเพื่อได้กินข้าวกินน้ํากินอาหารดีๆบวชผ่านเข้าสุกบวชสนุกตามเพื่อนเห็นเพื่อนบวชก็บวชไปอย่างงั้นแหละเห็นเขาบวชสนุกตามเพื่อนแล้วบวชเพื่อนศาสนา พ่อบวชเข้ามาก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอันนี้เสียหายแย่มากพระรังขอเตือนลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะลูกหลานพระเนรที่มาอยู่ในวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้เดี๋ยวนี้อย่าอย่าให้เปื้อนศาสนาเรามาอยู่ในสถ า, านที่นี้เป็นสถ า, านที่ศักดิ์สิทธิ์นะลูกหลานพระเนนทุกองนะพวกพวกอะไรจะทําทอะไรต้องคิดดูให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัพท์โทรศัพท์การที่จะใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ว่าจะใช้เรื่องสัพเพเหระเรื่องการมกิเกล็ดพูดตรงนี้พวกพระคงจะรู้จักว่าใช้ไปนในการมกิเล็มันไม่ถูกนะลูกหลานนะพระเนรนะให้สัมรวมระวังนะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลนะไม่ใช่สถานที่มาทําร้ายมาทําลายองค์หลวงตานะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกทกท่านนะหลวงพ่อพูดทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกเหยียดยามพระเนรองคใดองค์หนึ่งนะ แตค่เท่าเป็นการกล่าวย้ำเตือนพวกอยู่พวกเราอยู่ด้วยกันถ้าไม่กล่าวไม่บอกไม่กล่าวกันพวกใคระจะมาบอกกล่าวกันนะพะพวกเราต้องบอกกล่าวกันว่าสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะเพราะฉนั้นขอวันนี้ก็ขอประกาศให้คณะกธาย า, ายิโยมได้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนอตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร